พระไตปิฎกเล่มที่14สลายตนาวิพังคาสูตรว่าด้วยการจำแนกอายตนะหกประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามกออนาถบินธิกเศเสถีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสแสดงธรรมะอันเนื่องด้วยอายตนาหกที่สำคัญแก่เธอทั้งหลาย ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขู่ตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขูวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขู่สัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเราะตาเห็นรูป คือจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในจักขูย่อมยินดีนักในรูปย่อมยินดีนักในจักขูวิญญาณในจักขูสัมผัสในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นยินดีหมกมุ่นลุ่มหลง พิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปทานขันห้าย่อมถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปและตัญหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรคตัด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณนน์นั้นๆก็ย่อมเจริญขึ้นความกระวนกระวายที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้น ความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นเขาจึงสวยทุกทางกายบ้างสวยทุกทางใจบ้างและโดยในยะเดียวกันเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตโสตวิญญาณโสตสัมผัส เมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขคือเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสจากหูได้ยินเสียงเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมเกิดความยินดีเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขคือเวทนาที่เกิดจากคานาสัมผัสจากจมูกได้กลิ่นเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมเกิดความยินดี เมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขคือเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสจากลิ้นได้ลิ้มรสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมเกิดความยินดีเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขคือเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมเกิดความยินดีเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโน ธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตวจสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสใจสัมผัสธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่ใจรู้สิ่งที่ใจนึกคิดเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในมโนในธรรมารมณ์ในมโนวิญญาณในมโนสัมผัสย่อมยินดีนักในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขคือเวทนา ที่สัตว์เวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคล น, นั้นยินดีหมกมุ่นลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปทานขันห้าย่อมถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปและตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรัตะด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆก็ย่อมเจริญขึ้น ความกระวนกระวายความเดือดร้อนความเร่าร้อนที่เป็นทางกายก็ดีที่เป็นทางใจก็ดียอมเจริญขึ้นเขาจึงสวยทุกทางกายบ้างสวยทุกทางใจบ้างภิกสุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้ไม่เห็นจักขู่ตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริง เมื่อรู้ไม่เห็นจักขคูวิญญาณจักขคูสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์สวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขูสูสัมผัสเกิตาเห็นรูปเป็นปัจจัยรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีในจักขคูไม่ยินดีในรูปย่อมไม่ยินดีในจักขููวิญ ญ, ญาณในจักขคสัมผัสในสุขทุกข์หรือทุกขมสุข ที่สัตว์สวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจากักขุสัมผัสเป็นปัจจัยและโดยในย่าเดียวกันบุคคลเมื่อรู้ไม่เห็นโสตะโสตวิญญาณโสตสัมผัสเมื่อรู้ไม่เห็นสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขคือเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสคือหูได้ยินเสียงเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดี บุคคลเมื่อรู้ไม่เห็นสุขทุกข์อทุกขมสุขคือเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสจากจมูกได้กลิ่นเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีบุคคลเมื่อรู้ไม่เห็นสุขทุกข์อทุกขมสุขคือเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสจากลิ้นได้ลิ้มรสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีบุคคลเมื่อรู้ไม่เห็นสุขทุกข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 เมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดีไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นโทษอยู่อุปทานนขันห้ายอมไม่ถึงความพอพูนขึ้นต่อไปเขายอมละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรกตัะด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้เขายอมละความกระวนกระวายที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจ รักความเดือดร้อนความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจได้จึงสวยสุขทางกายบ้างสวยสุขทางใจบ้างทิฏฐิของบุคคลผู้มีธรรมะคือผู้เพียบพร้อมด้วยสุขทางจิตที่ประกอบด้วยกุศลจิตอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของบุคคลผู้มีธรรมะอย่างนั้น ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของบุคคลผู้มีธรรมะอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของบุคคลผู้มีธรรมะอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของบุคคลผู้มีธรรมะอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขา จัดว่าบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้อริยามรรคมีองค์แปดนี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยามรรคมีองค์แปดนี้อยู่อย่างนี้สติปัฏฐานสี่ก็ดีสัมปัะทานสี่ก็ดีอิทธิบาทสี่ก็ดีอินสี่ห้าก็ดีพะละห้าก็ดี โพชงเจ็ดก็ดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่ธรรมะสองนี้คือสมถะและวิปัสสนาของเขาย่อมเคียงคู่กันไปบุคคลนั้นกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งย่อมละธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิง่งย่อมเจริญธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิง่ง ย่อมทําให้แจ้งธรรมะที่กวรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งธรรมะที่กวรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรควรจะตอบว่าอุปาทานขันห้าคือรูปอุปาทานขันอุปาทานขันคือรูปเวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนาสัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา สังขารูปาทานขันอุปาทานขันตุคือสังขารวิญญาณูปาทานขรทานขันตุาานนคือวิญญาณธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคืออวิชชาและภวะตัณหาธรรมะนี้ ชื่อว่าธรรมะที่ควร ล, ละด้วยปัญญาอันยิง่งธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือสมถะและวิปัสสนาธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิง่งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรได้แก่วิชาคืออรหตัตธรรมะและวิมุต ธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรททำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิสนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลจบสลายตนะวิพังคสูตร